พิจารณาความจริงของชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นประจำ วความจริงของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจาโดยพระตัอย่างที่เรามีความสุขหรือว่ามีความปกติสุขมบทนหนึงที่ น, น, ทน่าพิจรารณาเสมอนะก็คือ ป, ปัญหาประตูเองซึ่งมีอาประการก็คือว่าเรามีความ แ่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้แล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้และรวมเป็นการที่ต้องพัดพาจากของรักของชอบใจอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้น ภาพิจารณาอยู่ล่อยๆ็พื่ให้เราเนี้ไม่ประมาทในขณะที่เรายังหุ่ยังสาวยังมีสุขภาพดียังประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าคร่องคล่องบริบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติหรือว่ า, วววาแวดล้อมด้วยคนรักในกรณี น, นั้นเนี่ยก็ต้องระลึกเอาไว้ว่า ในอนาคตมันก็ต้องแปลงเปลี่ยนไปมีแก่มีเจ็บมีตายมีพัดพลาดนี่เป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นเราต้องยอมรับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะกับชีวิตนี้ มันยังมีอีกข้อหนึ่งนะทีะ่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพราะมันแสดงว่าในชีวิตนี้เนี่ยเรายังมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ไหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องยอมถูกกระทำจากธรรมชาติอย่างเดียว เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นกฎธรรมชาติความค่าข้าสูญเสียก็เป็นธรรมชาติที่เราต้องยอมรับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องถูกกระทำจากธรรมชาติอย่างเดียวขาอพิจรารณาข้อที่ห้านเนี่ยมันหมายความว่าเราอย่างอยู่เรายัางสามารถที่ทาอะไรได้ต้องหยอย่าง อันนี้คือดึงกรรม น, นั่นเองก็รแต่งกรรมเนี่ยพูะจ้าจันนำมาสอนเพื่อที่จะที่จะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างสารงรค์ชีวิตของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามได้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ย มันอยู่ที่การกระทาของเราด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องถูกพัดไปตามกระแสะของธรรมชาติอย่างเดียวเราสามารถที่จะสร้างกรรมเพื่อปรุงแต่งชีวิตของเราแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะสร้างไปทางไหน เราสามารถเลกสามารถเลือกได้ว่าเราอยากใช้ชีวิตชีวของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นปในทางที่ดีเราก็ต้องสร้างกรรมดีถ้าเราไม่สนใจคิดแต่จะสร้างกรรมชั่วมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในทางที่ตกต่ำกฏแห่งกรรมเนี่ยมัน เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าชีวิตนี้เนี่ยเราสามารถจะปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนา แม้จะไม่ถึงกับร้อเร์ซนเพราะามันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายแต่คนนี้คนเราเนี่ยโดยเพราชาวพุทธก็เข้าใจกฎแห่งกรรมผิดเป็นจำนวนมากไปเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เป็นเพราะกรรมในอดีต และเรื่องอดีตนี่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นละ้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับกรรมอย่างเดียวหรือว่ารับวิบากของกรรมคําว่ารับกรรมนี่ยังไม่ถูกต้องนั่นคือว่ารับวิบากหรือรับผลของกรรมที่ทําไว้ในอดีตอันนี้นี่พระเจ้าก็เตือนเอาไว้นะเพราะมีคนในสมุททการก็เชื่อแบบนี้เยอะพระเจ้าเตือนไว้ว่าใครที่คิดว่า ชีวิตของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะกรรมในอดีตเนี่ยอดีตนีิดนในชี่นี้หมาถึงอดีตชาติเลยนะอันนี้เป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนาก็คือไม่ใช่ความคิดแบบพุทธความคิดนอกพุทธศาสนามีสามอย่างอันที่หนึ่งก็คือความความคิดหรือความเข้าใจว่าสุขหรือทุกทุกวันนี้ เป็นเพราะการโดนบันดาของพระเจา้าก็คือผมได้คิดอย่ที่สองันนี่คิดว่าคือความเชื่อว่าสุขหทุกข์ในทุกวันนี้เป็นเพราะการกระทาหรือกรรมในดีตชาตอย่าที่สาคือความคิดว่าสุขหรทุกข์ทุกวันนี้นะมันไม่มีสาเหตุเป็นความบังเอิญหรือว่าไม่มีเหตุปัจจัย อันนี้เป็นความคิดนอกพุทธศาสนาแ้ <c oughs> ่คนไทยจำนวนมากมีความเข้าใจว่าที่เราเป็นทุกวันนี้เพราะอดีตชาติแล้วก็ทั้งว่าเราจนก็เพราะกรรมแน่ดีรวมทั้งเราเจ็บป่วยด้วยให้เจ็บป่วยเป็นเลงเป็นเอชเป็นเบาหวานนี่เป็นเพราะกรรมแน่ดี มีควเข้าใจแบบ น, นี้เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามไปสดอดคล้องแก้กรรมหรือว่าตัดกรรมมันก็เลยไปง่ายเลยคือพอคิดผิดสักเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ผิดไปตลอดนะครับว่าการกระดุมผิดนะเราการกระดุมผิดตั้งแต่เรื่องแรกในที่สองวิทที่สามวิทที่สี่มันก็ผิดไปหมด ที่จริงพูดถึงเรื่องความเจ็บไข้เจ็ป่วยท่าผู้เจ้าตัดไปเลยนะว่าคนเราเนี่ยมันเจ็บป่วยด้วยหลายสาเหตุสิดฟ้ออากาศอาหารการบริหารกายแล้วก็กรรมท่านจำแนกว้ไหลายหลายสาเหตุนะมากกว่าที่พูดมากรรมเนี่ยก็เป็น เหตุปัจจัย ท, ที่ทําให้คนเราเจ็บป่วยนะซึ่งการที่พู้งตัดเช่นนี้นมันก็ตรงกับความเข้าใจของการคบครับขอ ง, ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนะช่นคนเราป่วยเพราะการกินอาหารบ้างนะเป็นเพรา ะ, ะสารเคมีบ้างะนะไม่ออกกําลังกายก็ทําให้เป็นโรคหัวใจนะหรือการกินอาหารมากไปก็ทําให้เป็นเบาหวานบ้างเป็นมะเร็งบ้าง อะไรอย่างต่างหเหล่านี้มันมีรายสายเหตุกรรมนี่ก็เป็นสาเหตุหนึง่งและกรรมที่ว่าเนี่ยก็รวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตัวด้วยเช่นถ้าไม่ออกกำลังกายมันก็เป็นนะกินพิกินอาหารที่มีพิษแบบไม้ในตับมันก็เป็นพิีย่ยใบไม้ในตับมันจะเป็นถึงไปไม่ได้ อันนี้ผู้เจ้าตอถึงสาเหตุของการเกิดโลกว่ามีสาเหตุต่างๆมากมายเพื่อที่จะชี้เห็นว่าคนเราเนี่ยจะสุขอทุกข์เนี่ยในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เพ็นเพราะการกระทำในอดีตชาติอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองด้วยนะไม่ใช่กรรมในอดีตแต่เป็นกรรมไม่ใช่กรรมในอดีตชาติแต่เป็นกรรมใน ปัจจุบันชาตินี่แหละอันนี้ก็ตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสว่าอย่างที่เราพิจารณากันเมื่อวานว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเพราะ ก, กรรมเป็นเรามีกรรมเป็นแดนเกิดไหมเพา ก, กรรมเนี่ยมันปรุงแต่งเรา ไม่ต้องกรรในอดีตชาติหรืหนักกรในปัจจุบันที่มันปรุงแต่งเราเช่นถ้าเราถ้าเรากินอาหารที่ไม่ถูกต้อง้การกินอาหารที่ไม่ถูกต้องก็ปรุงแต่งให้เรามีสุขภาพที่ไม่ดีหรือถ้าเราเป็นคนที่เฉื่อยชา มันระผิดชอบงานการมันก็ปรุงแต่งเราให้กลายเป็นคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นมันจะปรุงแต่งพฤติกรรมนิสัยของเราถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆถ้าเราเจออะไรก็โกรธเจออะไรก็โกรธเจออะไรก็โกรธเนี่ยมันก็ปรุงแต่งนิสัยให้เราเป็นคนที่มักโกรธ และนิสัยทีมาโกรธก็ทําปรุงแต่งสุขภาพของเราให้ให้ไม่ดีกรรมเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งเรากรรมของเราเองเนี่ยนะเป็นตัวปรุงแต่งเราไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวิจีกรรมหรือกิจกรร ม, ย, มยังไม่ต้องพูดถึงาการที่เราพูดร้ายไปต่อว่าใครแล้วทําให้เขาโกรธเก็อาจจะกลันแกล้งเราก็เป็นอันหนึ่งกันในการปรุงแต่ง ที่เราขึ้นมาปูแต่งไปในทางไลายแต่นี่จะมองในใ น, ในช่วงยาวก็ได้หมายความว่าเป็นพ่อกรรมของเราในอดีตเราทำกรรมดีเอาไว้เพราะฉะนั้นชาตินี้เกิดมาเราก็เลยมีสุขภาพดีอยู่ในครอบครัวที่มั่นคงร่ำรวยมีฐานะจะมองแบบนั้นก็ได้ หรือจะมองว่าเป็นเพราะเรายัางยังยังติดอยู่ในยังข้องเกี่ยวอยู่ในกรรมมันก็เลยต้องมีเหตุให้ต้องเกิดอีกคือมันมีการเวลาเราทำกรรมเนี่ยมันจะมีเราจะทำด้วยความยึดติด สำคัญมั่นหมายในตัวตนอยู่เสมออันนี้เรียกว่ากรรมถ้าทําโดยไม่มีความยึดติดนี่เขาเรียกว่ากิริยาถ้ายังทํากรรมอยู่ก็ต้องมีเหตุให้ไปต้องไปเกิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามถ้าเป็นกรรมดีก็ทําให้ไปเกิดในสุคติถ้าเป็นกรรมชั่วก็ทำให้ไปเกิดในอบายจนกว่าจะอยู่เหนือกรรมนก็ถึงจะไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันก็เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิด ในความหมายนี่เหมือนกันคือที่ยงกรรมยังทำกรรมอยู่ก็ต้องไปเกิดอยู่นั่นแหละแต่นี่เป็นกรรมแบบเรือกกรรมแบบข้ามภพข้ามชาติวิบากมันส่งผลข้ามภพข้ามชาติแต่กรรมเนี่ยมันยังยังหมายถึงการปรุงแต่งให้เกิดในความหมายทางจิตใจด้วย เช่นความรู้สึกเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นพ่อความรู้สึกว่าเราเป็นแม่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะความรู้สึกเราที่ว่าเราเป็นผู้แพ้อันนี้เรืกเกิดนะคนเราเกิดวันหนึ่งหลายครั้งเช่นเวลาเวลาเจอลูก ความรู้สึกว่าฉันเป็นแม่ก็เกิดขึ้นแต่เวลาอยู่ในห้องนี้เนี่ยความรู้สึกว่าเป็นแม่นี่มันยังไม่เกิดอาจจะเกิดอย่างเป็นความเสี่ยงอื่นว่าเออฉันเป็นเพื่อนหรือว่าฉันเป็นพยาบาลฉันเป็นหม อ, อเวลาอยู่ในบ้านความรู้สึกว่าเป็นแม่เป็นพ่อก็เกิดขึ้นเวลาไปวัด ความรู้สึกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เกิดขึ้นเวลาเจอฝรั่งความรู้สึกว่าเป็นคนไทยก็เกิดขึ้นไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเกิดนะความเกิดเป็นตัวตนในทางจิตใจก็เกิดจากกรรมเหมือนกันนะเวลาเราด่าใครแล้วเราสึดร้อนใจ รู้สึกผิดภายหลังเนี่ยก็เหมือนกับเราไปเกิดในนรกนะก็นี่เราเป็นการเกิดเหมือนกันเวลาเราทําความดีและจิตใจแช่มชื่นเบิกบานก็เมื่อเกิดในสวรรค์นี่ก็เป็นการเกิดเหมือนกันเป็นการเกิดทางจิตใจก็เกิดจากกรรมนั่นแหละคือเนื่งองจากรรมนี่เรามีกรรมเป็นแรงเกิดกรรมนี่เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นหรือปรุงแต่งชีวิตเรา แต่ดการกรรมก็เป็นเผ่าพันธ์ของเราก็หมายความว่าเราก็เป็นตัวเราก็ปรุงแต่งกรรมกรรมปรุงแต่งเราแล้วเราก็ปรุงแต่งกรรมใช่เราเลือกได้ว่าเราจะทำกรรมดีกรรมชั่วนี่ก็แสดงว่าเนี่ยเรากำลังปรุงแต่งกรรมเราปรุงแต่งกรรมในทางดีก็ได้ปรุงแต่งกรรมในทางไม่ดีก็ได้กรรมกรรมได่ปรุงแต่งเราแล้วเราก็ปรุงแต่งกรรม เราเลือกได้ว่าจะใช้กรรมใดแมนะงใครที่บอกว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมนี่ก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆเราสามารถจะสร้างกรรมได้ด้วยสร้างกรรมใหม่นะและตรงที่ต้องแยกแยะให้ดีนะว่าใช้กรรมหรือสร้างกรรมใหม่กันแน่เช่นสมมติว่ามีาสามีเนี่ยนะดูแลภรรยาซึ่งเจ็บป่วยเป็นมะเร็ง หรือว่าเกิดพิการขึ้นมาดูแลเช็ดน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวหรือว่าช่วยถ่ายเจริญกาถ่ายปัสสวะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้บางคนมองว่านี่เขากำลังใช้กรรมผู้ชายที่กำลังใช้กรรมนะ เพราะว่าอดีชาติแล้วอาจจะให้ให้เมียนี่ดูแลมาตลอดชาตินี้เลยต้องมาดูแลเมียนะคิดแบบนี้กันเยอะนะแต่ทําไมเราไม่มองว่าเขากาลังสร้างกรรมใหม่คือกาลังทําความดีเขากําลังเสียสละนะเขากําลังแสดงความเมตตาความรักต่อภรรยาตอนที่เขาเลือกได้ที่จะทิ้งเมียไป หรือเลือกได้ที่จะให้คนอื่นมาทำแต่เขากลับทำเองเขากลับอยู่ดูแลอันนี้แหละที่เราเขากำลังสร้างกรรมดีแต่คนทื่นไม่น้อยเนี่ยก็จะบอกเนี่ ย, ยผู้ชายคนนี้กำลังรับสร้างกาลังรับรับกรรมใช้กรรมการคิดแบบนี้เนี่ยมันทามันก็ทำให้เราเนี่ไปดูมันไปเยียดเขาว่าเนี่ยสมควรแล้วเพาะชาติที่แล้วมึงไปอ่า เอาเปรียบเขาชาตินี้ก็เลยต้องมาดูแลเขามันมีลักษณะเย็ดเย็ดอยู่ในในในตัวแต่สำรับว่าโอเคเขากําลังสร้างกรรมดีนะมันมีทั้งสอความยบย่องที่เราควรทําเป็นแบบอย่างที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างไอ้คนไทยเราเนี่ยเราไอ้คนเขาทาดีนี่ไปมองเป็นแย่ไปก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเราทํานองเดียวกันนะถ้าเกิดเหตุบแบบนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะไปมองว่านี่เรากําลังใช้กรรม เรากําลังสร้างกรรมดีนั้นะถ้าเรามองแบบว่าอะไรๆที่เกิดขึ้นกับเรานี่เป็นการใช้กรรมหมดก็หมายความว่าที่พระเวสันดร น, นะต้องมอบมอบลูกมอบภรรยาให้โชชงนี่เป็นการใช้กรรมแต่เราไม่มีใครมองแบบนั้นใช่ไหมเรามองว่านี่ท่านกําลังสร้างกรรมดีคือการบําเพ็ญทานบารมี เพราะถ้าเลือกได้ว่าจะให้หรือไม่ให้ง้ลองแยกแยะให้ดีนะว่าอะไรคือการใช้กรรมอะไรคือการสร้างกรรมเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพื่อใช้กรรมแต่เพื่อสร้างกรรมด้วยแม้ในเวลาที่เราเจ็บป่วยเราก็ยังสามารถสร้างกรรมได้ สร้างกรรมดีก็ได้สร้างกรรมชั่วก็ได้อย่าไปคิดว่านอนป่วยแล้วเนี่ยโอ้ยเรากาลังใช้กรรมถ้าคิดแบบนี้เราก็ทุกข์นะแต่จะทุกข์น้อยคนที่มาบน่นว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นแต่แม้จะคิดว่าฉันกําลังสร้างกําลังใช้กรรมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการตัดโอกาสเพราะถึงแม้เราจะนอนอยู่ในบนเตียงเราก็ยังสร้างกรรมได้เช่นทําบุญ ถวายสังฆท า, านหรือว่าฝึกสมาธิภาวนาคนที่บอกว่าฉันเจ็บป่วยกําลังใช้กรรมเนี่ยก็เลยตัดโอกาสที่จะไม่ทําสิ่งเหล่านี้แต่บานทีที่เราพบว่านเนี่ยเราเจ็บป่วยเนี่ยเรายังสร้างกรรมดีได้เราก็จะคนวนควายทำบุญทํากุศลจเจริญสมาธิภาวนานะก็จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกำไรเป็นกําไรให้กับชีวิต เรามีการเป็นแดงเกิดเรามีการเป็นเผาพันเรามีการเป็นที่พึ่งอาศัยการเป็นที่พึ่งอาศัยก็หมายความว่าเราอยากจะเราอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องก็ต้องอาศัยกรรมก็คือสร้างกรรมดีเราเจ็บป่วยเรายากจนเราทุกข์ใจจะทำอย่างไรไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งให้กับเราได้นอกจากการกระทาของเรา ก็คือความเพียรพยายามการฝึกตนการวางใจอยากพ้นจากความทุกข์อยากพ้นจากความยากจนก็ต้องขยันอยากพ้นจากความทุกข์ก็ต้องฝึกจิตให้ดีให้จนกระทั้งสามารถปล่อยวางสิ่งที่แบกเอาไว้ได้พระจ้าตแต่ว่ามนุษย์เราร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรนี่คือกรรมนั่นเองเป็นกรรมดี น, นั่นคือความหมายว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะแต่ก็ต้องทำกรรมให้มันตรงกับเรื่องนะถ้าทำกรรมไม่ตรงกับเรื่องนี่ก็บางทีก็เดือดร้อนเหมือนกันหลายคนที่ประสบอุปัติเหตุขณะไปทอดผ้าป่านนะก็จะพูดทำไมทำทำทำบุญแล้วทำไมถึงเกิดเคราะนะก็ต้องถาบ่าไอ้ตอนขับรถ มีสติหรือเปล่ากินเล่าหรือเปล่าประมาทหรือเปล่าขับรถไปทำบุญทอประปาหรือว่าไม่มีสติอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เพราะฉั้นเนี้ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็อย่าไปโทษว่าเอ๊ะทาไมเราทำดีแล้วไม่ได้ดีให้ไปทอดประปามันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องมีสติขณะขับรถด้วย ต้องต้องมองต้องใช้ธรรมะให้ถูกให้ถูกกรณีนะมันถึงจะ เ, เกิดประโยชน์อันนี้คือความหมายว่ากรรมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะอย่าไปพึ่งอย่างอื่นผูเจ้าบอกไม่แนะนำ ไปพึ่งเทอดาอารักก็ไม่ได้นต้องพึ่งความเพียรของตัวอย่างพระหมหาชนกมีเรือแตกนะอย่างที่พูดกันเมื่อวันสองวันก่อนเรือแตกก็ไหว้น้ำเข้าฝั่งมองไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้แล้วก็ไม่คิดจะบนบานขอร้องนางมณีแม่ขลาหรือพระอินทร์ให้มาช่วยแต่ทก็จะ่าา้ฉันทร์ไปเรื่อย ถ้าาว่าเทวดาเห็นความดีของฉันก็มาช่วยเองถ้าไม่มาช่วยก็เป็นเรื่องของเขาการทำความดีเป็นเรื่องของมนุษย์นะส่วนการช่วยคนดีเป็นหน้าที่ของเทวดาแต่ถ้าไม่มาช่วยก็เป็นเรื่องของเทวดานะเรายังทำความดีต่อไปไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอให้เทวดามาช่วย ต้องพึ่งความเก่งของตัวเองนี่แหละเรียกว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งนั้นถ้าเราถ้าเขาเข้าใจกฎแห่งกรรมดีเนี่ยเราจ ะ, ะจะไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเราจะไม่ยอมจำนนจะไม่นิ่งดูไายแม้ในกระทั่งเวลาเจ็บเวลาป่วยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่อยู่นิ่งเฉย แต่ว่าไม่นิ่งเฉยยิ่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปต่อต่อสู้กับต่อสู้หรือวิ่งหนีความแก่ความเจ็บความป่วยหรือความตายแต่หมาถึงการทาใจให้ถูกต้องฝึกจิตพัฒนาใ จ, จเจริญสมาธิภาว น, นาจนกระทั่งจิตใจไม่เป็นทุกข์กับความแก่ความเจ็บความป่วยหรือความตายกายมันเจ็บกายมันป่วยนะแต่ว่าใจไม่เจ็บไม่ป่วยด้วย อันที้ทําได้และทําได้เพราะเราเพียรพยายามเพราะเราพยายามสร้างกรรมดีก็คือการบําเพ็ญสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมเราไม่มีความแก่ความเจ็บความป่วยความตายไม่ค้นก็ไม่แปลว่าเราต้องทุกข์เสมอไปเราสามารถปฏิบัติตนจนทั่ ง, งใจไม่ทุกข์ก็ได้แม้กาลังเจ็บกำลังป่วย หรือกลาลังตายอยู่นี่คือนี่คือเสรีภาพที่กฎแห่งกรรมเปิดให้แก่เรานั้นนี่คืออำนาจที่กฎธรรมชาติให้แก่เราคือเราเลือกที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ได้แม้ว่าแก่เจ็บป่วยพักภากสูญเสียหรือกลาลังจะตาย เราการที่จะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้วิสัยที่เราจะทำได้กฎแ่งกรรมเนี่ยเปิดช่องหรือว่าให้อำนาจกับเราถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมดีเนี่ยนะเราจะไม่ยอมจำนดง่ายๆจะไม่เอาแต่ บนโวยวายว่าทำไมต้องเป็นชั้นหรือว่านิ่งดูได้งอมืองอเท้าเพราะคิดว่ามันเป็นวิบากจากกติจรชาติทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นเนี่ยเราจะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเดี๋ยวนี้คนเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดก็เลย นอกจากงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยยังไม่มีน้ำใจเห็นใครเือดร้อนก็บอกว่าเออเขาต้องรับกรรมเขาเองฉันไม่ช่วยเด่นมีความคิดแบบนี้เยอะนะไม่รู้สอนกันมายังไงมีคนป่วยคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเป็นผู้ชาย ป่วยที่คอก็อไปเป็นเที่คอแกนั่งแบบ น, นี้ไม่ได้นะแกต้องนั่งเอาตัวเนี่ยแนบกับแนบกับแนบกับเตียงตอนมาไปเยี่ยมแกที่นครปฐมเวลาคุยก็ต้องย่อตัวลงคุยกับแกแกก็ทําใจได้ดีแต่ว่าก็มีคนดูแลโรงพยาบาลดูแลจนกระทั่งแกก็พอกลับบ้านได้ก็ส่งแกกลับบ้านแต่ไม่มีใครดูแลแกที่บ้านที่จริงมีแฟนมาช่วยนะแต่ว่า พี่สาวเนี่ยก็ไล่ไปบอกว่ายังไม่แต่งงานกันมาดูแลกันไม่ได้ผิดศีลไม่รู้ผิดศีลข้อไหนะนะศีลข้อสามก็ไม่ใช่นะก็ไม่ได้มามาหรือถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะเขาจะมีความสมนตังเพศกันโดยที่ยังไม่ทันแต่งงานาก็ยังไม่ใช่การผิดศีลนะอันนี้เขาก็มีผู้คนปนี้กก็มีพี่สาวน้องสาว พยาบาก็ไปไปขอร้องให้พี่สาวมาช่วยดูแลน้องชายเนี่ยพี่สาวทําอะไรอยู่พี่สาวกาลังปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งใกล้ๆนครใกล้ๆนคปรปฐมแต่พี่สาวไม่ยอมมาช่วยน้องไม่ยอมมาดูแลน้องบอกว่าเขาต้องรับกรรมของเขาเองเนี่ยความเข้าใจกฎแห่งกรรมคืออย่างนี้แหละคือ เธอป่วยเธอก็ต้องรับกรรมเธอจะไม่ช่วยเธอนะจะเป็นการขัดขวางแทรกแซงกรรมเนี่ยคนถ้าเราชอบผู้เราเราเข้าใจกรรมแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็นความไร้น้ำใจนี่ขนาดพี่กับน้องนะ แล้วเดี๋ยวนี้นมีความเข้าใจขยายไปถึงเรื่องกฎแหงกรรมก็คือเรื่องเจ้ากรรมนเวรที่ป่วยเนี่ยเป็นเพราะเจ้ากรรมนเวนก็เป็นความคิดใหม่ซึ่งมันไม่มีในคำสอนในพระไตรปิฎกก็อย่างที่พรธอัตมาได้เอ่ยถึงผู้เจ้าที่ท่าน วิเคราะห์ว่าสมุทฐานของโลกมีอะไรบ้างมีเรื่องอากาศมีเรื่องเสพหามีเรื่องดีมีเรื่องอาหารมีเรื่องกรรมมีเรื่องการบริหากายแต่ไม่มีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเลยไม่รู้มามาเติ ม, มัาตอนไหนนะแต่ก็เชื่อกันเยอะนะเดี๋ยวนี้เป็นป่วยเป็นเปนเรื่องเพราะเจ้ากรรมนายเวนะก็ดีนะถ้าเกิดว่าเออไปสวดมนต์ทำความดีอยู่ที่สวดมนต์ให้เขาไม่เสียหายนะ แต่มันมีปัญหายอย่างนี้คือว่าเดือนนี้เนี่ยพอสรุปเอาแล้วว่าคนเป็นมะเร็งเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรตอนนี้ก็มีความเชื่อต่อไปว่าในเมื่อเขากาลังจะตายแล้วถ้าเราไปช่วยเขาให้พ้นจากความตายเนี่ยเจ้ากรรมในเวรจะมาเล่น ง, งานเราแทนเพราะฉะนั้นก็มีความเชื่อในหมู่หมอพยาบาลว่าอย่าไปช่วยคนใกล้ตายนะ พราะาช่วยเขาลอดตายนี่เจ้ากรรมในเวรจะมาเล่งงานเราเคยได้ยินไหมาอาตมาได้ยินปล่อยเคยผูท้ที่เคยมีอาจารย์พยาบาลมามาคุยเรื่องนี้ตมาแกเชื่อเลยนะมีหมอที่อุบลเนี่ยก็พูดก็ถามเรื่องนี้แล้วท่าทานแกก็เชื่ออยูนะ่คือไม่ต้องดูหไกลนะกรณีหมอสงวนนะหมาสงวนนี่ก็มีความเชื่อในหมู่คนแก้ชิดว่ามาสงวนเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าผักแตนโครงการ30บาท มันเกี่ยวเป็นยังไงมันเกี่ยวเลยเพราะว่าโครงการทําให้คนที่ควรจะตายไม่ตายมันทําให้คนจํานวนมากที่ใกล้จะตายไม่ตายเจ้ากรรมนายเวรของคนเหล่านั้นก็เลยมาเล่นงานแกดูเป็นเหตุเป็นผลดีนะคือมีความช่วยเหลือเนี้ยนะคือเพราะทําโครงการสามสิบบาทเลยเป็นบัลลงคือก็อธิบายกันได้ได้ได้ได้อย่างนี้แหละ สมมติว่าถ้าคนถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเราก็ควรเราออกจากการเป็นหมอและพยาบาลเพราะว่าถ้าอาชีพนี้ก็คืออาชีพที่เรียกว่าเสี่ยงรับหน้านอาชีพที่รอเจ้ากรรมในเวรมาเล่น ง, งานนะเพราะเราที่เรามีที่ช่วยคนไม่ให้ตายใช่ไหมไอคนเจ้ากรรมในเวรที่มันจะทําให้คนนั้นตายก็มาเล่น ง, งานเราถ้าเราเชืวว่อแบบนี้นะก็ไม่ควรจะเป็นหมอแพยาบาลออกเราออกไปเลย เพราะว่าเสียงไงเสียงแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอถึงแม้เราไม่ใช่หมอพยาบาลแต่เราเจอคนป่วยประสบอุบัติเหตุดูบนถน น, นเนี่ยเราควรจะช่วยไหมเอาช่วยได้ไงในเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุเพราะเขาโดนเจ้ากรรมในเวรนเล่นน่ยถ้าเราช่วยเขาให้รอดตายเจ้ากรรมในเบรของคนนั้นก็จะมาเล่นงานเราแทนเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ควรช่วยเขาก็ขับรถผ่านเลยไป แล้วต่อมาถ้าเกิดเราเห็นคนที่ผู้หญิงกําลังถูกถูกฉุดไปชำเราเนี่ยเราควรช่วยไหมเราได้ยินเสียงถ้าใช้ทฤษฎีนี้คือไม่ควรช่วยเพราะเขากําลังใช้กรรมถ้าเราไปช่วยเขาเราก็กําลังขวางกรรมแทรกแซงกรรมหรือเราอาจจะทําให้เจ้ากรรมเาเวรโกรดแค้นแล้วถ้าคนไทยคิดแบบนี้ก็มันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนั่นเอง คือใครเป็นอะไรเราไม่ช่วยดังั้นกฎแห่งกรรมตอนนี้เนี่ยมันกำลังถูกเข้าใจผิดกันมากจนกระทั่งเกิดความรู้สึกของการไม่ไม่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไม่เรียกว่าไม่ดูดายไม่เกิดความสุขนิ่งดูดายต่อกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เข้าใจให้ถูกต้องมากเลยนะ มันกำลังเทียนไปหมดแล้วเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี่มีไว้เพื่อส่งเสริมให้คนทํากรรมดีผู้เจ้าสอนกฎแห่งกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนทําความดีก็ อ, อย่างที่บอกเนี่ยเราทําความเราทํากรรมดีจะได้ดีทํากรรมช่วยจะได้ช่วแต่ทีนี้คนไม่กล้าทําความดีกันแล้วโดยเพาะการช่วยหรือเพื่อมือให้ใหพ้นจะกความตายเพราะไปคิดว่าเจ้กรรมในเวรจะกลับ ม, มาเล่น ง, งานเราแทนอนี่มันเป็นความคิดใหม่ซึ่งมัน ไม่น่าเชื่อมีเกิดขึ้นได้ในยุคที่วิทยาการก้าวหน้าแล้วก็ความรู้ดทางพุทธศาสนาก็ก้าวหน้าไปเยอะคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้ไม่มีโอกาสอ่านข้อติไปตกไม่ค่อยได้ฟังธรรมะเหมือนกับคนรุ่นนี้นะแต่ว่ายิ่งฟังธรรมะมากๆนี่ทําไมมันหรือยิ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมะมากๆทำไมความเข้าใจมันเพี้ยนมากก็ไม่รู้นี่ก็โยงไปถึงเรื่องการตัดกรรมใช่นหะมล่อ กรรมนี่มันตัดไม่ได้นะแก้ไม่ได้สมัยนี้เราแก้เกลีกันจนชินนะก็เลยคิดว่ากรรมนี่ก็แก้ได้ด้วยมันแก้ไม่ได้อะไรที่ทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้สมมุติว่ามันจะแก้กรรมได้ก็ต่อมเมื่อฆ่าใครไปแล้วเนี่ยทาให้เขาฟื้นขึ้นมาถ้าฆ่าใครไปแล้วทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้การแก้กรรมก็จะเกิดขึ้นได้แต่เราทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้นะม ไม่ได้เหตุมันเกิดเหตุมันเกิดขึ้นแล้วผลก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลตามมาเป็นลูกโซ่เช่นไปฆ่าเขาเขาตายใช่ไหมกฎหมายบ้านเมืองก็เล่งานญาติพี่น้องเขาก็ต้องตามตามล่านี่คือวิบาก ท, ที่ต้องเกิดขึ้น เราก็ต้องรับกรรมก็คือว่าติดคุกหรือว่าถูกเขาทำร้ายเป็นการแก้แค้นนี่คือวิบากที่หนีไม่พ้นที่ต้องเกิดขึ้นเราจะแก้กรรมได้ก็ต่อเมื่อเราทำให้คนที่ตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเจ้ากฎหมายก็จะไม่มาเล่นงานเราพี่น้องเขาก็จะไม่มาแก้แค้นเราอันนี้เรียกว่าตัดวิบาก แต่ทำได้ไมายเราก็ทำไม่ได้เราแก้กรรมไม่ได้แต่เราบรรเทาบรรเทาวิบากของกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะเราแต่ก่อนเรากินอาหารไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะมันก็เลยทำให้เราเป็นป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งก็แล้วแต่นี่คือเรากำลังรับกรรมจากการกระทำของเรา แต่ว่าเราสามารถที่จะบรรเท า, เบาบาบางผลกระทบนั้นได้ด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมหรือว่าด้วยการปรับชี้ให้ถูกต้องนะแต่เราไม่สามารถจะทำให้โรคที่มันเคยมีเนี่ยหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่มันหายไปได้แต่เราบรรเทามันได้ บรรเทาทั้งทางกายทางใจได้แล้วถ้าเกิดเราได้ยาดีก็อาจจะหายได้แต่ว่าผลที่มันเกิดขึน้นก็เกิดขึ้นอยู่นั่นแหละเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้แต่เมื่อเกิดขึ้นเราสามารถจะบรรเทามันได้หรือว่าทำให้มันแปลเปลี่ยนไปได้นี่คือสิ่งนี่คืออย่างมางที่เราทำได้ เพราะฉะนั้นให้ให้เข้าใจว่าแก้กรรมตัดกรรมนี่มันทําไม่ได้หรือแม้แต่จะตัดวิบากก็ตัดไม่ได้เพราะว่ากรรมมันต้นเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องส่งผลตามมาแต่เราบรรเทาได้บรรเทาได้ยอย่างไรก็บรรเทาด้วยการหนึ่งทำความดีหนึ่งไม่ทํากรรมนั้นใหม่ ไม่ทำกรรมน้นซ้ำใหม่สองทำความดีที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นนะทำได้สองอย่างนั่นแหะคือการบรรเทา 1. นึงไม่ทำกรรมนั้นซ้ำสองทำกรรมดีที่ตรงข้ามกับกรรมนั้นมันก็จะช่วยบรรเทาได้ส่วนพิธีกรรมต่างๆนี่มันก็เป็นแค่ความสบายใจอาจจะมีผลบ้างก็นิดหน่อย แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกครั ว, ว่าไม่ได้ไม่ได้ปริเสแเรื่องวิบากที่มันข้ามวกข้ามชาตินะเช่นมีเรื่องว่าอันนี้แหละจะา ก, กรรมนียเป็นอย่างของแท้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเด็กแกชอบกินไข่ไก่เนี่ยแกก็เอาไข่จากแม่ไก่ ตัวนึงเนี่ยมากินไปประจำแม่กามันก็โกรธแทนแล้วตอนตายก็ตั้งจิตเพียบบาทพอตายก็ไปเกิดเป็นแมวส่วนผู้ชายนนั้นก็ไปเกิดเป็นไก่ออกลูกมาก็โดนแมวกินนะไก่ตัวนั้นก็เลยโกรธเพียบบาท ตายขึ้นก็ไปเป็นยักษ์ส่วนแมวนั้นเนี่ยตายขึ้นก็ไปเป็นคน<ม>ก็โดนยักษ์ก็ไล่กินคนกินลูกของคนนั่นน่ะนะนี่เรียกว่าเป็นวิบากนะแล้วจะแก้ยังไงตอนนี้แหละที่ผู้จาวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรก็คืออย่าไปโกรธนี่แหละคืออย่าตัดกรรมได้อย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาท เมื่อผู้ชายคนนั้นเนี่ยถูกยักกินลูกไปแต่ไม่โกรธไม่พยาบาทมันก็จบก็ไม่มีการแก้แค้นกันข้ามภูเขา้ามชาติคนต่อไปนี่แหละเรียกว่าตัดกรรมอย่างแท้จริงคือตัดไอ้ไอ้วิบาสไอ้ไอ้วัตจักรแห่งการจองเวร น, นี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรอย่างแท้จริงคือมันไม่ใช่เป็นพลังอะไรที่ที่ลึกลับที่มาทําให้เราป่วย แต่มันเป็นตัวผู้ที่เคยเดือดเนื้อร้อนใจที่มีจิตเพยาบาทกันในชาติก่นกอนๆที่มาทําร้ายเราได้วิธีการที่จะตัดกรรมดีสุดคือไม่จองเวรมันก็ปิดแฟมได้เล ย, เลยแต่ถ้าจองเวรกันต่อไปก็ตามล่ากันไปข้ามวกข้ามชาติกัน ไ, ไอ้ตัดกรรมแบบนี้ที่ไม่ค่อยพูดกันเท่าไหรนะ่แต่มันไม่ใช่ตัดกรรมจริงนะแต่มันเป็นการตัดวงจรแห่งการจองเวร ด้วยการไม่จองเวรกันไม่เพียบบาทกันนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการสร้างกรรมใหม่ไม่ใช่ร อ, อรับกรรมอย่างเดียวเอาลราก็พอสมควรแล้วนะพูดกันยืดยาวก็ขอจบตรี <c oughs>